จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจผสมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภาร ก, กิจการงานต่างๆจึืได้ ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างแท้จริงแก่ชีวิตจิตใจของเราด้วยการมาสร้างบุญบารมีซึ่งเป็นทรัพย์หรือเป็นสมบัติที่แท้จริงของพวกเราทรัพย์นั้นก็มีอยู่สองชนิดด้วยกัน ทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกนี้ก็มีประโยชน์กับร่างกายแต่หลังจากร่างกายนี้ตายไปแล้วทรัพย์ภายนอกก็หมดไปใจไม่สามารถนําเอาทรัพย์ภายนอกไปกับใจได้ทรัพย์ที่ใจสามารถเอาไปได้ ต้องเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของใจดังนั้นเราจึงต้องแยกประเด็นให้ถูกว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญระหว่างกายกับใจนี้ใจมีความสำคัญมากกว่ากายหลายล้านเท่าเพราะกายนี้มีอายุเพียงแปดสิบปีร้อยปีก็หมดสภาพไป แต่ใจนี้มีอายุที่ยืนยาวนานไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีวันตาย <c oughs> ทั้งกายและใจก็ต้องมีทรัพย์ไวท้ทานุบำรุงดูแลเราก็ควรที่จะหาทรัพย์มาตามสมควรแก่ความต้องการของกายและของใจกายนี้ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าปัจจัยสี่ คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรค <c oughs> เครื่องนุ่งหม่มถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราก็ควรที่จะหันมาหาทรัพย์ภายในกันเพราะทรัพย์ภายในนี้ก็เป็นเหมือนปัจจัยสี่ของร่างกายเช่นเดียวกันเป็นอาหารของใจเป็นที่อยู่ของใจเป็นยารักษาโรคใจและเป็นเครื่องนุ่งห่มของใจ ถ้าใจปราศจากทรัพย์ภายในใจก็เป็นเหมือนขอทานทางจิตวิญญาณเช่นพวกเปรดอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกขอทานทางจิตวิญญาณเพราะไม่เคยสร้างทรัพย์ภายในให้แกะตนมัวไปหลงสร้างทรัพย์ภายนอกเช่นคนที่ชอบหาเงินหาทองหาความร่ำรวยหาความสุขทางโลกทางร่างกาย จนลืมการหาความสุขหาอาหารให้แก่จิตใจพอตายไปก็ตายไปไปแบบขอทานเพราะว่าไม่ได้สร้างทรัพย์ภายในให้กับใจนั้นเองเมื่อใจไม่มีทรัพย์ภายในใจก็เป็นเหมือนขอทานต้องรอส่วนบุญที่คนที่มีบุญพวกเศรษฐีบุญเศรษฐีทรัพย์าภายในนี้ คอยอุทิศบุญกุศลให้อย่างพวกเรานี้เป็นพวกเศษฐีภายในเรามีทรัพย์ภายในกันเพราะเรามาทำบุญกันอย่างสม่ำเสมอเราก็เลยมีบุญที่จะอุทิศให้แก่ขอทานทางจิตวิญญาณคือพวกเปรตพวกผีทั้งหลายได้เนีย่ยถ้าพวกเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะเป็นเหมือนพวกเปรตพวกผีเราจะไม่มีทรัพย์ภายในไว้ดูแล จิตใจของเราจิตใจของเราก็ต้องละเหตุเล่ล่อนไปแบบขอทานแทนที่จะไปแบบผู้มีความมั่งคั่งมีความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณเช่นไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้านี้ก็เพราะว่ามีบุญมีกุศลมีทรัพย์ภายในทำให้เป็นเท่านั้นเองไม่ได้อยู่กับสิ่งอื่นใด ดังนั้นอย่ามัวลภอย่ามัวหลงงม ง, งายกับการสร้างความร่ำรวยสร้างทรัพย์สมบัติสร้างอาณาจักรสร้างอะไรต่างๆมากมายอย่างที่คนโง่เขาสร้างกันคนที่มีเงินหมื่นล้านแสนล้านนีในทางธรรมะไม่เรียกว่าเป็นคนฉลาดถ้ามีเงินเหล่านี้แล้วไม่เคยเออกมา ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองเลยอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนงอกเป็นคนมืดบอดเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเพราะว่าไม่เคยสนใจกับการศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงหลงอยู่กับการหาทรัพย์ที่ ไม่จีรังถาวอนหาทรัพย์ที่ไม่สามารถนำเอาติดไปกับจนได้ไปติดไปกับตนได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไม่เหมือนกับคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีตอนที่เป็นพระเวชสันดอนทรงทรงบริจาคทรงแจกทรงให้ทรัพย์สมบัติเข้าขอเงินทอง ต่างๆไปแม้แต่บุตรธิดาก็ให้เขาไปเพราะว่าท่านเห็นว่าสมบัติภายนอกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของหรือบุคคลนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนและมันไม่จีรังถาวรและมันไม่ได้ให้ความสุขเท่ากับทรัพย์ภายใน ความสุขที่เราได้จากทรัพย์ภายนอกจากบุคคลภายนอกนี้มีความทุกขมาผสมด้วยพอเรามีสมบัติเราก็มีความทุกข์มีความกังวลมีความหวงมีความห่วงมีความเสียดายเพราะเราเวลามีอะไรที่เราชอบเราก็จะมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมีความผูกพันมีความรักมีความอยาก ให้สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอยู่กับเราไปนานๆแต่เราก็รู้ว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบนั้นจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็เลยมีความทุกข์ทั้งในขณะที่ยังอยู่กับสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจหลังจากที่เราสูญเสีย สิ่งที่เรารักเราชอบไปหรือถึงเวลาที่เราต้องจากสิ่งที่เรารักเราชอบไปเราก็จะมีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากนี่เป็นวิถีของคนโง่คนที่ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเพราะไม่มีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของนักปบุญเช่นพระพุทธเจ้า กลับเห็นว่าเป็นคำสอนที่งมงายสอนในเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการไปเกิดในสวรรค์ในนรกเรื่องการไปเกิดเป็นเปรตเป็นเทพเป็นพรหมเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมภายในใจจะไม่สามารถมองเห็นได้ เหมือนคนที่ไม่มีดวงตาย่อมไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่คนที่มีดวงตาเห็นได้ดังนั้นถ้าไม่มีศรัทธาแล้วก็ถือว่าเป็นการปิดประตูสู่ความเจริญที่แท้จริงชีวิตก็จะต้องหมกมุ่นกับความทุกข์ชนิดต่างๆทุกที่เกิดจากการไปเกิดแล้วก็ แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็พัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะพาใจให้ออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะมัวแต่ไปสะสมไปสร้างวัตฏะสงสารอยู่ทุกวันนั่นเอง ทุกเวลานาทีที่เราไปหาเงินหาทองที่ไม่มีความจำเป็นต่อเราแล่วนี่แสดงว่าเรากำลังสะสมภพชาติใหม่กำลังสะสมการเวียนว่ายตายเกิดใหม่ทุกเวลานาทีที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานที่สำคัญที่จำเป็นแล้วเรามาสร้างบุญสร้างกุศลกันเราก็กำลังตัดภพตัดชาติกัน ตัดการเวียนว่ายตายเกิดกันเรากำลังสร้างอริยทรัพย์ให้แก่ใจของเราจนกว่าจ น, จนอริยทรัพย์นี้มีพอเพียงต่อใจเมื่อเรามีอริยทรัพย์ที่พอเพียงแล้วใจก็ไม่ต้องระเหเล่นล่อนอีกต่อไปใจสามารถอยู่กับที่ได้เพราะมีทรัพย์คอยดูแลไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาท่านตัดทรัพย์ภายนอกมีทรัพย์ภายนอกมากน้อยเพียงไรท่านก็ยกให้ผู้อื่นไปหมดแล้วก็ออกบวชแล้วก็เอาเวลาของนักบวชนี้มาสร้างทรัพย์ภายในมาสร้างกุศลมาสร้างศีลมาสร้างสมาธิมาสร้างปัญญา มาสร้างวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเมื่อท่านสร้างทรัพย์ได้เต็มพระทัยเต็มหัวใจแล้วท่านก็หลุดพ้นจากความหิวทั้งปวงความหิวก็คือความอยากเช่นความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำํำอยากรวยอยากสวยไปตลอดอยากมีอายุยืนยาวนาน และความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นไม่อยากมีความยากจนไม่อยากมีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะมีความตายความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะใจขาดอริยทรัพย์ขาดทรัพย์ภายในคือขาดบุญขาดกุศลเช่นทานศีลภาวนาถ้าเรามาบาเพ็ญทานศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรม ปฏิบัติทำนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเดินจงกรมจเจริญสติอยู่ทุกเวลาเวลาไม่ปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดฟุ้งซ่านคิดสร้างความทุกข์ให้แก่ใจคิดสร้างความอยากความมีความอยากมีอยากเป็นความอยากไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่เหล่านี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ใจเป็นการสร้างภพชาติให้แก่ใจ ถ้าเรามาบำเพ็ญมาควบคุมจิตใจของเราให้อยู่กับธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะบทใดแบบใดก็ได้เช่นจะอยู่กับบทสวดมนต์ก็สวดไปหรือจะอยู่กับเสียงธรรมะที่ท่านกําลังได้ยินได้ฟังอยู่ขณะนี้ก็ได้หรือถ้าไม่มีการแสดงธรรมเราก็มีแผ่นซีดีเราก็เปิดฟังได้ ให้ใจอยู่กับธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วใจจะสงบใจจะเย็นใจจะอิ่มเพราะธรรมะนี้เป็นอาหารของใจได้ธรรมะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีความอิ่มเอิบใจมากขึ้นไปเท่านั้นความหิวความอยากต่างๆก็จะน้อยลงไปความกังวลก歪ความกระสับกระส่ายความความความเศร้าโศกเสียใจความเศร้าหมองต่างๆ ก็จะน้อยลงไปตามลำดับเพราะใจกำลังได้รับการดูแลได้รับอาหารได้รับยาได้รับที่อยู่อาศัยได้รับเครื่องนุ่งหม่มใจก็จะมีสิ่งที่ใจต้องการที่จำเป็นต่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คือทรัพย์ที่เราควรที่จะให้ความสำคัญกัน ถ้าเรามีทรัพย์ภายนอกพอเพียงแล้วก็ควรจะหยุดได้แล้วหรือว่าถ้าหาก็หาเพื่อที่จะมามาชดเชยทรัพย์ที่เราใช้หมดไปในแต่ละวันเพราะชีวิตของเราก็ยังต้องอาศัยทรัพย์คือร่างกายของเรายังต้องรับประทานอาหารทุกวันยังต้องมียารักษาโรค ยังต้องมีบ้านอยู่ยังต้องมีเสื้อผ้าสวมใส่แต่ถ้ามีพอประมาณแล้วไม่เดือดร้อนแล้ว mm hmm. ก็อย่าเสียเวลากับการไปหาทรัพย์ภายนอกเลยอย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขภายนอกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่คลุกเคล้าไปด้วยความทุกข์คลุกเคล้าไปด้วยความวุ่นวายใจ เวลาเราไปเที่ยวไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวเราไปเที่ยวแล้วเราก็ต้องไปเจอประสบกับเรื่องนั้นเรื่องนี้รถติดบ้างคนมากบ้างมีปัญหาต่างๆบ้างสู้อยู่บ้านไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แสนจะสบายปลอดภัยมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แต่อยู่กันไม่ได้เพราะใจไม่มีทรัพย์ภายในนั่นเองใจไม่มีบุญไม่มีกุศลไว้หล่อเลี้ยง ใจก็เลยหิวกับรูปเสียงกลดิ่นรสใจต้องออกไปและเลเลล่อนไปหากับความสุขที่ไม่จีรังถาวรพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดวันรุ่งขึ้นก็อยากจะไปหาใหม่เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดวันนี้เสพก็มีความสุขพอพรุ่ง น, นี้ก็อยากจะเสพถ้าไม่ได้เสพก็ทุกทรมานใจ นี่คือความสุขภายนอกเป็นอย่างนี้ที่พวกเราหลงหากันไม่รู้ว่าเรากำลังกว้านเอาความทุกข์เข้ามาสู่ใจของเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขที่ดีกว่านี้หลายล้านเท่ามีความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เลยอยู่ในใจของเราอยู่ในใจที่ได้รับการดูแลรักษาได้รับการทํานุบำรุงได้รับ รับภายในก็คือบุญกุศลที่เราทํทาทกันนี่แหละจะทําให้ใจของเรานี้สงบจะทําให้ใจของเรามีความสุขจะทําให้ใจของเรามีความอิ่มมีความพอเมื่อเรามีความอิ่มมีความพอแล้วเราก็ไม่ต้องไปดิ้นหนนไปหาสิ่งนั้นสิ่ง น, นี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขนั่นเอง ความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความสงบที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างขึ้นมาได้พวกเราทุกคนนี้มีสิทธทิจะสร้างความสุขเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งทั้งหลายสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนท่าน ไม่มีอะไรแตกต่างจากพระพุทธเจ้าจากพระอรหันตสาวกเลยสิ่งที่แตกต่างก็คือเราไม่มีศรัทธามากพอที่จะสร้างทรัพย์ภายในเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านมีกันท่านมีศรัทธามากจนทำให้ท่านสามารถสละทรัพย์ภายนอกได้หมดเลยท่านมีทรัพย์ภายนอกมากน้อยเก่งไรท่านไม่เอาเลย มีครอบครัวก็ไม่เอาเลยมีลูกก็ไม่เอามีสามีมีภรรยาก็ไม่เอายกให้ผู้อื่นไปหมดแล้วก็ไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปสร้างซั์ภายในจนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าได้กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาเกิดจากศรัทธาในซับภายในนี้เองเพราะเชื่อว่าซับภายในนี้แหละ เป็นทรัพย์ที่แท้จริงรู้แล้วว่าทรัพย์ภายนอกนี้ไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่แท้จริงไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวกลับให้ความทุกข์มากกว่าความสุขที่ได้รับจากทรัพย์ภายนอกจึงเลยมีความกล้าหาญที่จะสละทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงไปหมดนี่เรียกว่าทานพอท่านได้ทานทำทานจนครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ท่านก็ไม่กังวลกับเรื่องการทำทานอีกต่อไปไม่ต้องไปห่วงเรื่องไปทาบุญตักบาตรไปถวายภาพป่าไปทอดกรถิ่นไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างอะไรต่างๆเพราะท่านไม่มีแล้วไม่มีทรัพย์แล้วที่จะไปสร้างได้ท่านก็เลยมีเวลาที่จะรักษาศีลได้มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ ศีลท่านกรักษาได้อย่างง่ายดายเพราะท่านไม่มีความอยากได้ทรัพย์ภายนอกเมื่อไม่มีความอยากได้ทรัพย์ภายนอกก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องไปทําผิดศีลอะไรคนที่ทําผิดศีลกันนี้ส่วนใหญ่ก็เพราะอยากได้ทรัพย์ภายนอกกันพตอตนอยากได้เงินได้ทองตอนเองไม่มีเงินไม่มีปัญญาที่จะหามาได้ด้วยความสุจริตก็ไปรักไปขโมยไปช่อโกง ไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะได้เอาทรัพย์มานั่นเองคนที่ยังยังมีความโลภความอยากในทรัพย์ภายนอกอยู่นี้จะรักษาศีลไม่ได้ถ้าอยากจะรักษาศินให้ได้ต้องต้องตัดความโลภความอยากในทรัพย์ภายนอกอย่าไปอยากร่ารวยอย่าไปอยากมีเงินทองมากๆเพื่อจะได้เอามาใช้เอามาซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ ซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเรายังมีความอยากแบบนี้อยู่เราจะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี่มันยากเพราะมันเป็นเหมือนอุปสรรคในการหาเงินหาทองหาความสุขทางโลกนั่นเองเช่นอยากจะไปรปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่นก็ทำไม่ได้ถ้าถ้าจะรักษาศีล ก็จะรักษาสิ์ข้อกาเมย์ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่อยากจะไปหลอกนอนกับสามีภรรยาของคนของผู้อื่นแล้วก็สามารถรักษาศินข้อกาเม์ได้อย่างง่ายดายอยู่ที่ว่าเราตัดความอยากได้หรือไม่ถ้าเราตัดความอยากได้ความสุขทางโลก ไม่ได้เราก็จะรักษาศีลไม่ได้เมื่อเรารักษาศีลไม่ได้เราก็จะไม่ได้ทรัพย์ที่สําคัญศีล น, นี้เป็นทรัพย์ที่สําคัญอย่างมากเพราะศีล น, นี้จะเป็นผู้นํำเราไปสู่ความเป็นเศรษฐีทางด้านจิตวิญญาณคือจะนําให้เราไปสู่การเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเป็นมนุษย์ ต้องมีศีลเป็นคุณสมบัติถ้าไม่มีศีลเป็นคุณสมบัติแล้วเราก็จะได้พบของเดราาัจฉานพบของเปรตพบของนรกแล้วถ้าเรารักษาศีลไม่ได้เราก็จะไม่ได้พบที่ดีถ้าเราอยากจะได้พบที่ดีเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้และเราจะรักษาศีลได้ก็ต่อเมื่อเราทำทาน เราบริจะเราเสียสละเงินทองที่เรามีเกินความจําเป็นเราอยากเก็บเอาไว้เพราะว่าถ้าเราเก็บไว้เราก็จะอยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วเมื่อเราอยากได้เพิ่มขึ้นเราก็จะรักษาสินไม่ได้แต่ถ้าเราให้ใจของเราก็จะมีความอิ่มมีความพอก็จะไม่ได้อยากได้ทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอีก เราก็จะรักษาศีลได้เมื่อเรารักษาศีลได้เราก็จะได้รับ <c oughs> เราก็จะได้รับทรัพย์ภายในที่จะพาให้เราไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยะเจ้าตามลนดับต่อไปดังนั้นเราต้องหมันทำบุญให้ทานให้อยู่แบบคนยากจนยาล่ำรวย อยู่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยเป็นเศรษฐีเป็นราชกุมารแต่ท่านเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ทําให้ท่านมีทรัพย์ภายในพอท่านเอาสละทรัพย์ภายนอกไปท่านก็ได้รับทรัพย์ภายในเข้ามาทันทีการให้ทานนี้ก็เป็นการสร้างทรัพย์ภายในการรักษาศีลก็ทําให้ก็เป็นการสร้างทรัพย์ภายในเมื่อเรา ทำทานแล้วและรักษาศีลได้บริสุทธิ์แล้วการทำจิตใจให้สงบก็จะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็ยนอะไรที่ยากเย็ยนเพราะใจของเราส่วนใหญ่มันวุ่นวายกับการกระทำผิดศีลผิดธรรมวุ่นวายกับการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเวลาจะนั่งทำจิตใจให้สงบนี้มันแสนยากแสนลำบากเพราะใจมันไม่นิ่งใจมันไม่ยอมอยู่กับ ธรรมะที่เราให้ให้ให้ใจผูกติดเอาไว้อยู่กับพุโทโธได้คำสองคาก็ไปคิดถึงเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องรายได้เรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายแล้วหรือไปห่วงกับเรื่องทรัพย์สมบัติห่วงเรื่องงานเรื่องการห่วงคนนั่นห่วงคนนี้เพราะเราไม่ตัดเขานั่นเองเรายังไปยึดไปติด ยังไปหลงไปรักไปชอบยังไปอยากให้เขาอยู่กับเราให้ความสุขกับเราแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าความอยากเหล่านี้กำลังสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราถ้าลองฟังเทศฟังธรรมแล้วน้องนำเอามาคิดดูเราจะเห็นตลอดเวลาว่าวันวันหนึ่งนี้เรามีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขเดี๋ยวก็ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้กังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้น เบือ่อเบื่อเรื่องนั้นเบื่อเรื่องนี้ทั้งหลายนี้มันออกมาจากความอยากทั้งนั้นออกมาจากการไม่ทำบุญให้ทานไม่ให้ทรัพย์ภายในแก่ใจก็เลยไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริ m รักษาศีลได้เมื่อรักษาศีลไม่ได้ก็ทำใจให้สงบไม่ได้แต่ถ้าทำบุญให้ทานได้มากเท่าไหร่ก็จะรักษาศีลได้มากขึ้นไปทั้นั้น แล้วเมื่อมีทั้งทานมีทั้งศีลแล้วเวลาทําใจให้สงบก็จะไม่ยากเพราะใจไม่มีเรื่องที่จะต้องมากังวลไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาคอยคิดถึงให้ใจอยู่กับบทส่วนมนต์ก็จะอยู่กับส่วนมนต์ให้อยู่กับพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าออกเมื่ออยู่ได้อย่างต่อเนื่องไม่นานใจก็จะสงบพอสงบแล้วก็จะเห็น คุณค่าของความสงบว่าไม่มีอะไรที่จะสุขเท่ากับความสงบของจิตใจนี่แหละคืออ น, นิสสของทรัพย์ภายในพอเราได้ทานได้ศีลได้สมาธิเข้าไปในใจแล้วก็เหมือนกับเวลาเรารับประทานอาหารนี่เองเรารับประทานอาหารชนิดต่างๆเข้าไปในท้องตอนต้นก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะยังไม่ยังไม่อิ่มแต่พอรับประทานจนนั่นท้องอิ่มท้องนะ ทีนี้เราก็ดูเราโอไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความอิม่มแต่ความสุขความอิ่มของร่างกายนี้เมื่อเปรียบเทียบกับความอิ่มของใจนี้ต่างกันเป็นเป็นยนต่างกันเป็นหลายล้านเท่าเลยกันความสุขความอิ่มทางกายนี้สู้กับความอิ่มทางใจไม่ได้ความอิ่มทางใจนี้สามารถบดบังความหิวทางร่างกายได้ถึงแม้ร่างกายจะไม่ได้รับประทานอาหาร หลายวันหลายมือแต่ถ้ามีความสงบมีความอิ่มทางใจแล้วจะไม่รู้สึกหิวเลยจะมีความอิ่มนี้คลุมความหิวของของร่างกายแต่ในทางตรงกันข้ามความหิวความอิ่มของร่างกายนี้ไม่มีอนุภาพที่จะมาคลุมความหิวของใจได้ถ้าใจไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีทรัพย์ภายในแล้วต่อให้เรากินอิ่มขนาดไหนก็ตามเถิด เราก็ยังจะไม่รู้สึกว่าอิ่มเรายังจะรู้สึกว่าหิวยังอยากกินนั่นกินนี่อยู่พอเห็นอะไรมาก็ยังอยากอดที่อยากจะกินไม่ได้คนเราจึงอ้วนเกินความจำเป็นนั่นเองเพราะความหิวทางใจที่ทำให้คนเรากินมากจนเกินไปแต่คนเราถ้ามีความอิ่มทางใจแล้ว ร, รับรองได้ว่าจะไม่อ้วนจะสามารถควบคุมร่างกายนี้ให้อยู่ ตามที่เขาควรจะอยู่คือน้ำหนักของเขาจะไม่เกินควนที่เขาควรจะมีเพราะใจนี้ควบคุมได้ควบคุมความหิวความอยากได้เพราะใจไม่หิวไม่อยากนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขที่แท้จริงมีความอิ่มมีความพอปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายทั้งหลายเราก็ต้องมาสร้างรั์ภายในกัน มาสร้างบุญสร้างคุณสมกันด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการภาวนานั่งทำสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาถ้าเราหมั่นทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับเรากำลังรับประทานอาหารนั่นเองเราเวลาเราหิวเราก็ต้องรับประทานอาหารเราไม่ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่หรือเวลาหิวข้าวนี้ใครจะมาเรียกให้ไปทำอะไรก็ไม่ไป ข อ, อกินให้อิ่มก่อนฉันใดใจของเราก็เช่นเดียวกันเวลาใจเราหิวเ ร, เราทำไมไม่ให้อาหารกับใจเราบ้างเรากลับปล่อยให้ใจนี้เป็นเหมือนขอทานอดอยากขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาเพราะความหลงนี้เองเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะคอยสอนใจดังนั้นเราจึงต้องหมั่นเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอยู่ที่บ้านมีหนังสือธรรมะก็ เปิดอ่านอยู่เรื่อยๆมีแผ่นซีดีก็ให้เปิดฟังอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าใจของเรานี้จะไม่ค่อยหิวไม่ค่อยอยากกับอะไรจะอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขและจะมีศรัทธาที่จะสร้างทรัพย์ภายในนี้ให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนมีทรัพย์เต็มอยู่ในหัวใจเมื่อมีเต็มอยู่หัวใจแล้วเต็มในหัวใจแล้วก็ ไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่อีกต่อไปเพราะทรัพย์ภายในนี้ไม่มีวันหมดเหมือนทรัพย์ภายนอกเพราะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกหลังจากที่ท่านได้สร้างทรัพย์ภายในได้เต็มที่แล้วท่านก็ไม่ต้องสร้างอีกต่อไปเวลาที่เหลืออยู่ท่านก็เอามาสงเคราะห์ผู้อื่นมาสั่งสอนผู้อื่นให้รู้จักวิธีสร้างทรัพย์ภายในสร้างความสุขภายในดังนั้นจึงขอให้ท่านจง เห็นความสำคัญต่อการสร้างทรัพย์ภายในยิ่งกว่าการสร้างทรัพย์ภายนอกขอให้ทุ่มเทเวลาจิตใจของท่านมากับการสร้างทรัพย์ภายในถ้าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสร้างทรัพย์ภายนอกแล้วแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขและความเจริญขึ้นไปตามลำดับอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา